สาเหตุที่ทำให้เกิดคำที่จะายกพระพายนาคถ้าว่าตามหลักฐานทางตำนานภาษาบาลีก็อ้างว่าเกิดจากมูลเหตุกันตีความพระวินัยต่างๆสิด ข, ขอ้อเขาพิสูจน์ู่้มังเลยสาลีแต่ในตำนานที่มาในภาษาท้องสกิตรไม่ได้พูดถึงเรื่องทิ่ขาบสถิกรานเขาโพราะขีบ ท, คบนนน ท, ะ, ท ah ะครับในตำนานสกิตทั้งมหายานกับนุสใอื่นที่ไม่ใช่มหายาน เขาพูดว่าเกี่ยวกับมติทางศาสนาธรรมะห้าประการของคณาจารย์รูปหนึ่งชื่อมหาเต ท, ท่านมหาเตีิสุมหาเตคนนี้มีความสำคัญคือว่าท่านเป็นชาวอาวันตีชาวเมืองมตุราในแดนอวันตีแล้วก็มีประวัติว่าเดินทางมาบวชที่กุกุตารามในของเมืองปาตลีบุตรเป็นธรรมสิกเอสนาวูหานไทรรอ จนกระทั่งพระเจ้ากาโลโศกรับเป็นองคุกธรรมในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสวดปฏิโมกขและวันนั้นเขาเอเป็นหน้าที่ของพิจุมาหาเจตจะกรดาพระปฏิโมกข์ใสสงศ์พอพิจุมาหาเจตขึ้นนั่งบนพระมานแล้วยังไม่ทันจะปวดปฏิโมกข์พิจุมาหาเจตก็ตเสนอทิฏฐิห้าประการขึ้นในข่ามตางสงศ์ทิฏฐิห้าข้อนั่นก็คือมีใจความว่าขออ้อหนึ่ง พาาระอรหนยังอาจจะมีกาขาได้ขอ้ออกามมรบรรลุพักขนนั่นจะต้องอาศาัยตัวอืน่นพยากรณ์ให้ตัวของตัวเองเราไม่รู้ว่าตัวเดินบนรลักขนข้อสามระอรันต์ยัปล่อยง้ำสุกกะได้อาจจะถกมานเร่ อ, อยู่ในความฝันได้ข้อสี่พาาระอรหันต์่นจะได้บรรลุพักขนก็ต่อเม่อเปลง่งคาว่าทุกหนทุกหอ ต้องเปลี่ยนคำว่าทุกหนอทุกหนอเป็นจัตใจแล้วก็มักเห็ถึงจะเกิดนี้ขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายของพิภุท่านนาใส่มหาเทิก็คือถือว่าอาทหารยังละอวิเหลตังลาวยังละไม่ได้สิทิฏฐิห้าประการของพิภูมหาเทวะที่เสนอขึ้นในภาพกลรงตรงนี้ อ่เป็นเหตุให้ในมัตต์ที่ประชุมเกิดอนระเวงมีที่ปู่ายธรรมวาทีครับว่าความเห็นของมหาเถรนี้เป็นมิจฉาพิจิเมื่อที่สุดก็ทำแต่กรรมในคืนนั้นไม่ได้เกิดตู้เขียงในกุกุตารามวุ่นวายจึงกระทั่งพระเจ้ากาลาโตกไปเด็จมาห้ามปรามมหาเถรมหาพรมหาเถรก็เป็นเหม่ใพระเจ้าตาลโตกใช้ตัดสินอภิกรธรรมชาด้วย เยปุยยติกาอภิกรณะสมถวิธีเมือ่อใวิธีเยปุยยติกาอภิกรณะสมณะสมถวิธีนั้นได้รับผลคือว่าต ส, าาาส่พระมาาาาหาเทศชนะเสยงเสา่อากใพระมหาเทศเลียงเือมมากแลเป็นเสียงพระลหนึ่มพระทบทแล้วหม่ๆยังไม่รู้ไม่และยางเข้าใจในธร ร, รมะยังไม่ดีพอผู้รู้กเห็นว่าิฏิข้ามหาเทศผุใ่สุดก็นาสงสายธรรมวาทีก็แยกออกเป็นสองนาย คือนิกายทัมมาหพุทธนั้นมีพวกมากรีกว่านิกายมหาสังกิตนิกา ย, กยาทั้งวมดธรรมวาทีมีพวกน้อยรีกว่านิกายเถระว่านี่เ ป, นป็นเหตุของนิกายเถระวา่ากับนิกายมหาสังกิตตามตำนานสายสันสกิริมาดูดถึงการบัญญัติ ป, ปิตาการเขาพิสูจนวัตถีบุตรแต่เกิดเหตุการณ์ในท้องที่เดียวกันเมืองเดียวกันเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยถามว่าที่เราเป็นนักศึกษา เลาจะไปดูฉายหนึ่งลาทั้งสองเรื่องอันปรากฏมาทางบารีทางหนึ่งทางเศรษฐีทางหนึ่งได้อย่างไรตามควมเห็นของผมก็เห็นว่าทั้งสเรื่องนี้องจริงเพราะได้กล่าวแล้วว่าขน้าผจะต่สมมต i k ี่ n ่อเหตุแห่งความบิบัดของคิดคิดามันจะตาประการหนึ่งก่อเหตุแห่งความบิบัดของสีและสามันจตาประการหนึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณทั้งสนี้ก็เป็นการสะท้อนซึ่งเป็นผลอันเกิดจากความบิบัดของคิดคิดันเอง ซึ่งเป็นไปได้จะต้องเกิดในสมัยเดียวกันเพราะว่าที่สูรมหาเทศนะพญาวิมุตต์ไม่มีตระวติการิัชาอ น, นะหรือที่ประจักษุยานที่ตส๋ตะยานก็ไม่สามารถจะเข้าใจในตัวนิสถานที่ท่านไม่เคยอยู่ไม่เคยไปไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามพระบุคคลหรือชื่อต้นไม้ชื่อสัตว์ที่ท่านไม่เคยรู้เลยฟังมาก่อนความสงสัยอย่างนี้สงเคราเป็นกลางขาด้วยความจริงข้าอธิบายธรรมะในแง่นี้แล้วก็ไม่น่าจะขัดกับนิการถิรวาะ าทางเหตุการณ์เราแต่ยอมลับว่าความกังขาของศาลานอย่างมีนะแต่มาเจอดีจิกิฉาด้วยว่าปฏิรูปกังขาความกังขาในเรื่องปฏิรูปสถานที่บุคคลที่เราไม่รู้จักอย่างนี้ไม่ถือเป็นกิเล่ไม่ถือเป็นสังโยความสงสัยว่าเอเอขนทางมาวัดมาธาตุนี่มาทางไหนเราไม่เคยเป็นพรไทยไม่เคยอยู่กรุงเทพเป็นอาลัยมาจากต่างจางหวัต่างประเทศอย่างนี้ไม่เคยมาเมืองไทยมาวัดมหาธาตุไมู่ จะขึ้นรถ3ามล้อเครื่องหรือว่ารถเกินก็ต้องถามเข้าไอ้ทางว่าตปวังนักวังมาหาทาไปทางไหนควางสึงใปเรื่อยเร่ห้นทางเียเล ย, ลยาา เ, ลเลยป็นเกยมดเลยไม่ได้เกยเลยยังนี่เป็นปฏิรูปวิจิทรฉาหรือปฏิรูปตังขาอ่าพาะหันเนี่ยอาจจะมีได้ไม่แปลกแต่ในข้อที่เดียกว่ามักผลพาหันจะเกิดได้ก็ตอมาเป่งคำว่าทุกหนอนี่อันนี้แปลกเพราะว่าอะไรที่จะต้องเป่งคำว่าทุกหนเนี่ยตามเรื่องนะตามเรื่องราวประวัติมหาเกเนี่ย ต่เป็นเรื่องที่ภิกษุต่างนิกายเขียนคือเป็นพวกภิกษุในนิกายสระวาปฏิวา่าไม่โคกันิกายมหาตัิกาไม่โคกั น, ก น, น, กนก แ, แต่นิกายนี้ทะเลาะกันเรื่ยแล้วตอนนิกายสระวาติว่าน่ะเขียนประวัติสมรภูมิซึ่งเราจะวิธีอ่านข้อความประวัติของบุคคลสำคัญซึ่งคนต่างนิกายเขียนเนี่ยเราก็ต้องอ่านด้วยความดุติธรรมไม่ใช่อ่านด้วยเอาว่านิกายจะมาใส่วิธีอ่านก็คือวา่าอาจจะถขียนายตีกดด็ได้ใครเสียหาย คือว่าเในตานานที่สุมห์เทพที่มีการประวัติวิวาเขียงขึ้นบอกว่าทันยิสุมหาห์เทพเนี่ยเดินไปลูกออกฆ้าสายสื่อมของในเมืองมาตุรแล้วก็ไปทาตีกูฆ่าข่าพ่อตายมืเหวีที่ฆ่าต่อหนะ่ะเพราะว่าตูไปทำชู้กับแม่ของเต๋อตอนนี้แม่ในที่นี้อาจจะเป็นแม่เลี้ยงก็ไดาษถ้าเป็แม่ไปเกิดก้าที่ไหนมันจะเลยตามนี่อย่างนี้อาจจะเป็นแม่เลี้ยงกลัวพ่อจะจับได้ข่าพ่อ กลัวความจะแตกก็หนีจากมืองมาตุรามาอยู่มืองปาตริบดิษฐ่นี่ทำนันตริตกรรมขั้นหนึ่งแล้วมาอยู่มืองปาตริบตไมฐ่ช้าไม่นานเจอพระอรหันต์ชามืองมาตุราเข้ากลัวความรักติดตัวไปทำขึ้นจะแตกข้าอร ห, หนึ่งนั่นอีกทำนันตริตกรรมกระเพที่สองแล้วข้าพระอรหันต์เจ้าเนี่อมากลวทวความหนีไปบวชไปบวชก็คงจะไป อุปชัยยกเพื่อเแต่ส้วงาหลัมหลังก็บวชให้บวชแล้วก็มันเรียนเรียนพระไปกกระทั่งเป็นธรรมกสุคราวนี้อยากจะแสวงหาบริวารต่อเรียบริวารมาบอมามาทำกรรมฐนกับท่าทำเล่าตัวมหากลืกตั้งตัเป็นพระอรหันวดอึดปริมฤติเตหันยญาตรลักถึงให้ลูกติดว่าคนนั้น เป็นโสดาเป็นนี่เป็นปะทะนั้นเป็นอนาคาคนนั้นเป็นอราหันต์พยายามจะใหู้กศิษยกิษยก็ชอบใจมาเรียนกรานสนักนี้ไม่ใชาเราไปอริษฐานเป็นตันตแล้วดี อ, อกดีใจใหญ่ลาบตการะไหลามาเทมามหาพระมหาเทิดเป็นการใหญ่นี่เป็นอดุตริุติรรมจัเป็นอ น, นันติกจังขันปราชิกขั้นขั้นสามแล้วต่อมาอีกพฤกรรมอันนี้ทำมาแค่มหาเทิดน่ะใจคอไม่สบายเู่อุสกิ เอไปศึกษาธรรมะยังสงสัยอาจารย์บอกว่าเราปันทไมเรายังสงสัยขบธรรมะอนนี้แต่มาถามอาจารย์อาจารย์ครับที่อาจารย์พยาาผมว่าผมเป็นอริยบุคคลแทไมผมยังสงสัยเรื่องีาอยู่ล่ะาฮะเอก้ยไม่็ไลวแตพระอริยยังมีวิจิ้า้กกึกออริยยังมีวิจิชากลับไปอีกมาไปหานก็กระดิอ่าทำไมดอริยบุคคล่าอ่า ชาติเป็้นแล้วกระตะกิโยติที่จะควรทำก็ทาแล้วอมาจาันก็อยู่จบแล้วทำไมเราไม่รู้ตัวเองเรเป็นอริยะนะให้อาารย์บอกลูกวี่รู้ท้าอาจารย์อ า, ายบอกโอ้คิดมาจะเป็นอริยะบุคคลรู้ไห ม, มจะต้องาอาสายสุขีเเป็นมาก่อนาอายกรรับรองให้ถ้าไม่ออกประกาศอิจฉาบรรับรองให้แกก็ไม่รู้แกเป็นอริยนะเพราะงั้นต่องร้องให้าออกประกาศอิาบรับรองเองก่อเองรู้เองเป็นอริยะด้วยจิตดีใจกลับไปอีก เออเพราะมหาเถรก็ยังซุ้มสานอยู่คืนหนึ่งก็เกิดปจสุกกาออกมาลูกศิษย์ไปทักตะมดนเข้าบ๊กอาราชันไเลยมีสิ่งนี้ล่ะพี่เอาจารย์อาจารย์บอกเอ้ยดเล็กอาอาราชันยังอาจจะถูกมารยั่วยยู่ทำกามฝันได้หรือวะบอกโอ้สิ่งนี้โอกสิก็เออเลิออกไปดีอีวันหนึ่งเป็นมหาเถรเป็นนอนพกไปพิมานอนในหลับอ้อาจาจำที่ล้อวเลาะงนทำลกมาช้านานเนี่ย กุ้งวินติดใจแต่แหมทรมานายแล้วเกิดแต่ก็ถอนใจแล้วว่าทุกจริงเอ้ทุกจริงดุ้ยทุกหนอทุกหนือมันดางใจหน่อยได้ยินได้ติลุกติดนอนอยู่ข้างปาเอ้พระอรหันต์ทมาย่บ่นว่าทุกพรุ่งนี้จะถามอาจารย์ให้รู้แน่ว่าอาจารย์ครับเมื่อคืนนี้ผมนอไม่หลับไินอาจารย์บว่าทุกใจทุกทุกิทุกิก็อาจารย์เป็นอแล้วาไมยังมีุัใจอยู่ดก็กือว่าเออธรรมดามถึงจะเกิดน่ เออจะล่นนี่ต้องเดเป็นคาว่าทุกหนอทุกหนอบาลียินทใช้คว่าทุกังขังทุกขังะทุกขปริยาหาโรทุกทุกทุกเนี่ยเป็นปริปริปริยาหาโรหรืออ่คือทุกเี่เป็นปริตันกระทำหรือนี่ว่างั้นมติของแกทั้งหมดนี่แหละดว่าตามที่ตุตังนิกายเขียนประหลาดแกะแต่ถ้าเราเอาตที่จริงนวิกายกันดู ถ้าพอะมหาเถรจะชั่วชาวสามาน ถ, ถึงขนาดนั้นแล้วทาไมจะตั้งตูนเ ก, นเกนอาจารีบรวาและั้งตั้งบิสตายิงมาดักเปนไปไม่ได้กัีเคือชาแบบนี้แบบนี้อีกมีกายหนึ่งเขียนฉะนั้นเรื่องนี้ไปเรืการต้สีระหว่างวิกายคือระหว่างมีกายสระวะสติว่าจะมีกายมหาสังิกรรพรมหาเถรเนี่ยจต้องดีกรีติไลปัญหาที่แกหห้ประการนี่นะก็ะไม่ใช่ว่าจะตียง้เงื่ทุก ข, ขอ้อยกตัวอย่างเช่นนเรื่องข้าราชกามีการหาเนี่ยทาเสติว่าจะยอรับ ว่ายางมีตะกี้รูร้ว่านิจิทธาได้นะและแต่คาว่าเตงว่าทุกทุนี่มับบนนอกเกี่ยวหรือว่าจะยอมรับไอพี่ว่าถ้าอาันยังมีสุกกะเราก็ไม่ยอมรับอย่าว่าจะอันเลยยูคาตะจภายนอกศาสนาที่ได้ตะคุบมาานแล้วน่าอันจิติก็ไม่ขึ้นแล้วนี่พทนี่แหละพ้าทำตะคุมาานได้เพราะกามันามามันฉันภาพตอัํานาาสมาบัตวิข้อมันหน้าอาไรข่ ม, มาวะเพราะฉะนั้นนาำดีาจในทางตายในปรากฏ ไม่พุ่งกล้าไม่ฟันด้วยการตีความปัญหาข้อนี้จึงเป็นทัศนะอันหนึ่งที่แตกออกไปจากในกายเจริวาาเป็นอันใดกวางว่าในการทำพุทธิยัตัตงขายนาเพราะผลจากบัญญัติตระการของพิสุขชีบุตรอันหนึ่งเพราะผลจากคิดิดของพิสุมหาเถออันหนึ่งเป็นเหตุให้พระมูลคนเนี่ยแต่พ อ, อเป็นสองกายใหญ่คือในกายเจรวาชีกับในกายมาหาสังติกา มาระหว่างตววัตถีสองถึงสตววัตถีสีหลังจากพุทธกุศลพานนิกายถเวลาตีแ้แยกออกมาเป็นเจนิกายแกรูออกมาอีกเจ็ดเจ็ดนิกายนิกลายมหาทั้งทกกะขาพกนิกายถือเวลาตแแกูออกมาเป็นสิเด็นิกายนิกายมหาทั้งทกะแแกูออกมาเป็นเจนิกายรวมหมดสินิกายคือนิกายระหว่างเนี่ยแตกฟ้าขาออกมาอีกเป็นสิเด็กแล้วก็นิกายมหาทั้งทกั แต่สัตราออกมาอีกเป็นเจ็ดลรวมไเป็นติดแปดิแปดอัาราากาอกายอัาระกาีกายนี่เกิดขึ้นตอนพุทธิจารีพานแล้วพุทธิยาทั้งขายนาเกิดแล้วกระทั่ง ถ, ถึงหลังพระเจ้าโตะในระยะสามแล้วีหลังจากพุทิจารีพานพรานมุ่งนนในอินเดียได้แต่เป็นปมีกายหรือ18คณะท่นานแคณะนี่ไม่ลงโบ์ ก, กันแล้วก็ทะละแบาไว้กั น, นเน่อินเดียต้องติีกายเนี่ย ว่าแต่เข่งฉันไม่เข่งแต่ถูแต่ติดทะเลาะกันมาเรื่อยคุณ เ, เห็นไห้ว่าก็มอขี่ในกุฏิสาสนาเสียงพ่อผ้ามาทะเลาะกันเองไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็อิตางมกายนี่มีกายที่สำคัญคือนอกจากในระลอกมันเป็นกายดั้งเดิมแล้วก็มีกายมหาทั้งที่กามีกายวัชีบุตรมีกายปรวาติวาทมีกายเหเมวันตามีกายเจติยะชีรีมีกายเตย่ า, เาตรันติกามีกายในสิตสาสกา์นี่ แล้วก็มีกายติดติดติกาแล้วก็มีมีกายอัปปะเตริยะนิกายอปะเตริเริยะนี่มิกายสิดทับติการ์ริกมีการราชจุริกานี่ริกกายสิดทัดติัติกานี่มีหลายกายด้วยกันแต่เอาเอาตามใจความสำคันที่ยังมีคำที่ตกทอดมาถึงปัจิบันนะก็มีเพียงิีกายเดียวคือมิกายสารวาสีวที่าี ถ้าปลายตีดกเรื่องคือวันอคติตกทอมาถึงปัจจุบันให้เราศึกษาคงตาด่าส่วนคำพินัยน์ิ น, นกายอื่นอื่นนอกจากนิกายเทระว่ า, วากับประวาติปีว่าแล้วเราไม่พบเลยตับถือไม่หมดหลังจากขุตตากนั้นในอินเดียถูกทำลายไปก็คอยตับสูอไปด้วยถ้าอยากในกายมหาภิกะนั้นเราต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยเพราะต่อมาจะเป็นต้นเข้าของขุตตะกนา้ายมหายาติกายมหาภิกะ ม, มือก็ตายตีดกของตัวเอง คุลสมบักระเถร ว, วาไม่ข้าภาษาบาลีขึ้นสู่สังสีติแต่ใช้ภาษาด้วยว่ า, า, า, า, า, าภาษาอัตระังกัดในกา ร, ารกขขามาตัสจัดเข้ภาษาอัรพังกาดในการกาลอกวางในสัตระดิษฐ์ทิกสุไม่มีการยื้ต่ตลาดทีุ่งเต็กระเดนคือหนุ่กระเด็นอย่างเราหนุงตมกระเบ็ น, นลแล้วหนุงกระดลล่อยชายให้ยาวแล้วประดัชายีขึ้นมาคือจงระเดม่ดีเลแล้วที่ผมปีวทับอีกทีหนึ่ง เี่ิจูนิการมาคือจกเป็นมีกายแบ่แนวที่งุนงงกัะเดิมอย่างแข่ชิ้นดูหนึ่งย่งนี้แล้วก็หกจีวรครับเนี่ยแล้วพิจูนกายนี้นี่แบ่งเขาไพิดกออกเป็นห้าห้าพิโดก์ติยกันเป็นปันจากพิโดกคือนอกจากอสูปีในอภิธรรมแล้วก็มีภารณียิโดกและจับตูปิตัดพิโดก์้ามาด้วยารนปิโดกับเูิตัดพิโดกรวมหมดปันเป็นปันจัพิโดกเนี่ยพิจูนิการมาคือจับ ศูนย์กลางของมิติมหาจักิกาณนั้นอยู่ในอินเดียภาคใต้กับภาคตะวันออกภาคใต้มีแควธรรมราบดีซึ่งเป็นอยู่ใ น, นลุ่มน้ําำติศนาตะโคทาวารีเป็นศูนย์กลางแล้วก็อีกทงหงนึ่งก็อยู่ในมะคธทางภาคตะวันออกต่อมาถึงท่านเด่นก่อนอันนี้เป็นศูนย์กลางของมิติมหาจักริกาลักษณูท่ามสวนในมิติจายนี้ที่แตกต่างกับมิติจาราวาสมีอยู่หลายเรื่องเช่นว่าทศนัตเดี่ยวกับภาค พ, พุทธเจ้า เขาะนาเกี่ยวกับพระอะหันเขาจน่าเกี่ยวกับจิตเจติกาติอีู่ผมจะยกเฉพาะข้อของขันที่มาอธิบายนะครับเขาน่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นนิกายมหาภิกขะเห็นว่าภาวะของพระพุทธองค์ทั้งนามะขันติละ ข, ขันตินั้นเป็นเลออุตรภาระพระพุทธเจ้าเมื่อชนมาเ ย, ยอะอย่างนี้ขอบเขตพระพุทธเจ้าไม่เกิดแก่เจตตายที่เราเห็นว่าทรงสิคนพระชนมเมื่อแปดสิบพรษาน่ะ เป็นเพียงละครฉ า, ากหนึ่งที่พระองค์แสดงให้โลกเห็นสำหรับเรื่อติให้ชาวโลกเป็นหลักในความเป็นอนิจจังของสังขารเพราะจริงภาวะอันมั่นคงของพระองค์นั้นไม่มีดั่้นไม่มีท่ากลางและไม่มีที่สุดเป็นโยุระทั้งนามทาั้งรูปเราเห็นเกิดดับเป็งเพียงแต่อาการที่ทรงตรงแสดงออกไปถ้าจรงีเกิดเป็นดับ เป็นดู ว, ว่าพระพุทธเจ้าเป็น ล, นลักษณะโตตลกรัฐาวะหรือโลกรลัฐาวะขนข้อนี้นะก็ต่างกับนิการสุรวาดนการาวาเราไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกรัฐะทั้งนามคำรูปไมถืออย่างนั้นเพรนามรูปเป็นมีบาดขันแล้วก็พระพุทธเจ้าดูนามรูป ก, ก็มีอาพาธแล้วก็มีดับขันไปทมชาติต้นดับขัน อันนี้ก็เป็นเหตุทำให้แยกในกายกันเพราะการตีการในทัศนะในพุทธภาวะแตกต่างกันนี่ข้อนี่ข้อสองทัศน์อยู่กับเรืูปพระโพธิสัตว์ในกายมหาคุยกา ก, กล่าวว่าพระโพธิสัตในปัชิงคพิกราชาคือชาติทีท่พระทีจะมาตรัสเป็นพระธารมเจา้าเจ้านี้จะต้องอย่างลงอู่ประคันของพุทมารดาในรูปของช่างเสือนอันนี้เสถรว่าจะหมายวาอะไร จะมาถืออะไรก็ไม่ถือเลยสคัญจะมาเป็นช่าถือกไมเช่างถือกไม่ถือเลยสำคัญก็ไม่ขัดอะไรกันตรนี้ก็ไม่ขัดอกขัดใจอะไรกันละอีกอันหนึ่งก็ถือว่าพระโกธิสัตมนั้นเวลาประทุดจะต้องออกไปจากอีข้าของพระพุทธมารดามาเด็ดประทุดโดยตามมักอย่างคุณธรรมดาเกิดกันเพราะฉะนั้นในลูกที่เราเห็ น, นพระนางตรีมห า, ามายาเอากระหัดเกี่ยวเหนียวไหมเอาไวา้เกนียวไห้สาระเอาไวานะ้เนี่ยเข้าที นดวเปิดทางให้ระาชกรพรรออกจากสีค่าอันนี้เขาตีมากแต่การที่เขาตีนะเวลาปางผู้ิดจักสนเนี่ยต้องเรือกจริงตาละแหวสีข้าไงล่ะแบบมาอ่าจะใชาสถานะแหวสีข้าพระมาณดาออกมานี่คืนาฏิรรมการมหาศีกาอันนี้ทางคุรัชว่าจะไม่ถักใจจะมาออกทางไหนก็ไม่สำคัญเพราะเราตีต้องคันข้อตีขวาต่อเรื่อยไอ้เรียกตีแล้วต่อเรื่อบ่าอันนี้ต้องขันกว่าประวัติตอน่จะเกิดทางไหนเราไม่ตีเลสคัญหรอก ในการหมาที่อยจะตีเราออกทาทีข้างก็อีนนโมฆะนะเรานก็เป็นข้าวอุขจัเราตนน้ไม้ก็เป็นเนรื่องใหญ่โตถึงกัยกเรีกาออกมาเนี่ยอันนี้อีกข้อนึงที่ขัดใจกันอีกในข้อที่ว่าพระโ ท, รที่สัตใ น, นตัชินเขวิดกาพิน่ะไม่มีติกข้าสัญญาพยาภาพาสัญญากับตามาาคาสัญญาไม่มีอันนี้คือเ า, าบอกไม่ได้ทำไมีจะมาตรไมเระทำไมมีแล้วก็มีสิ ไม่มีการมาราข้าสัญญาจะมีพระราหุลได้รือยังล่ะมี่การมาเขกจับเอาว่าที่มีพระราหุลน่ะเกิดใจทาอธิษฐานทั้งแต่ชายุิตกถาอธิษฐานีกให้ให้พระนางฤทุราตั้งแระคาขึ้นแล้วก็เอาพระหัตถ์ขาลูกรามาสลูกลูกพรนางทีเขาพระนางฤทุราพระนางฤทราก็ตั้งทันพระราหลขึ้นมาอ่าอันนี้ขัดใจจมีการจินแล้วว่ามีการจิตแ้ไม่ได้เพราะว่าในคำที่มากมาลีแบบว่าพระพุทธเจ้ามาตัดกิเลสตนในคืนวันวิสาข ไอ้ต่อหน้าวันนี้สาขากติฆทานญาแต่มีพยาตาธาสัญญาแต่มีการมาฆาสัญญาแต่มีนี่การสมัครมาตั้งแบบนี้ไม่ว่าเป็นพวกเอวีตัด้างบารมีมาตั้งขขายแต้มมาหนกลับแล้วบางข้ต่ดตกนี้แบบรรลุโลกีฌานุมไอ้สัยาพวกนี้ถึงได้หมดนั่นาสุด้าน่ะเป็นตัดชิ้นพวีกฉับตัดบารมีแต่รอบแล้วมันจะดีหรือนี่กิเลสเราไม่ต้หนักข้อไปละอาจารย์เห็นแล้ว่าเพราะฉะนั้นปวดขามกนด้วย อยากมีกายไปอั น, นี่ขัดใจกันในคนลคนล น, นิกายลตอนเนี่ยนี่เขัสนะเกี่ยวกับพระโติสตัอ้าวขันะเกี่ยวกับข้าราัการมีกายมหาจักิกาบอกว่าข้ า, าราันายังอาบเปียนจากมรรคผลได้อันนี้แปลกแต่ยอมรับว่าพระเอราบัไม่เปียนเอบาบัณจับไม่เถียแต่ข้ า, า, ารันกาับเปียได้เห้ยว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาไม่ได้มมีตัวอย่างไหนเอราวัับไม่เปลียนเอรามับาบาน ก่อนก็ว่าละหันคืหนาๆจัไม่เสียบถ้าลรหันคอแต่กล้าขอเสดาจับเสือน่าอันนี้ขัดใจอยากมีการไปนี่ทพนาเกี่ยวกับตาละหันแล้วก็ทพนาเกี่ยวกับติดเกตสศุีนี่หละตอนนี้ขัไปะเด้องคำที่ตุกเราตกละนี่กายมหาภิกษัตรบอกว่าติดนี้บริุทิ์ติดเดินบริสุทธิ์เอาละมติอันนี้มาละที่ชาวพุทธเมืองไทยกำลัง วุ่นวายใจเลยจิตบริสุทธิ์หรือจิตนบริสุทธิ์เนี่ยเป็นมตสีกายมหาภิกกาเลยนี่กายมหาภิกกาบอกิตเดิบริสุทธิ์องใใช้ธรามวิสุทธิไม่ใช่ประภัตตะรังไม่ใช่ในบาลีเราใช้ระัะรังเราทัคือก้าวบอาคตระรตรัปัจจัยนะลตรปัจจัยเป็นปะภัตตรังเนีตามตามตามแบบี้คุณจะแก้วจิตนี้มีธรรมชาติอ่า เพียงแต่ว่าผงไสเขาไเองผงก็อไอ้งไสกับบริสุทธิ์ตกต่างกันมากนะไอ้ผงนี้อย่างหน้าอย่างเราล่างหน้าที่เราบอกมันว่ตงนี้ทางนี้หน้าตาองใสจังนี่ไอ้คนี่หน้าตางใสไม่ได้หมายความ่าหน้านี่ไม่มีขี้ใครไม่มีขี้เรือไหม้ไม่ได้มาอควอย่างนั้นนี่ไอ้พวกงใสถ้าบริสุทธิ์แปลว่าใบหน้านี้แหลขี้ครหมาก็ไม่มีแล้อาบน้าอาบน้ำแล้วก็ปีกระเปลาหน้าร้นเรือไม่ดีอาบออกมาเหม่อหม่แล้วก็บอกแหนือคาดทงกระจกใสดีจรินี่ ไอ้การแต่งกานี่มันเลยรงว่าแ่คนนี้ร่างกายของคุณนี่ไมมีขีกแล้วไม่ต่อหน้านอีกแล้วระเด็นอะไรตอนนี้ะในขณะนั้นหละถ้าไปขูอไรๆี่ใครก็ออกว่าู่หือไม่ใร่างกายขี้ก็มีต่ให้เราไปขัดอาแก็อ้าทั้งสคบั้งลาดขัดขออกมาหมายตัวนีเขาปอเยออ่าขูนเรื่องนี้ะีรไมู่ล้วา่อาะนี่เพราะฉะนั้นศัพท์พาาไทยเราต่อไปดีแล้วพระโูรอ า, าจารย์น่ะท่านไม่กล้าแ่เขามาพัดแท่านกูคงไม่เข้าใจสิท่านใช้ทับ พระันจิตนีเป็นธรรมชาติประัตอนที่คุณหมอเขามีอารตกตาจีเลตแนมาหรือเป็น อ, อ, อตาตกะแจนมาหราป ร, รังเนี่ยอปอดริขังคืออะไรในกายคืร้วานกับนกายมาสกานายมาอกใช้คาว่าบริสุทธิ์เยิุังเลยใช้ ค, คานี้ลงไปเลยว่าจิตนี่จิตใช้คำว่จิตเดิมเะไม่ไดว่าจิตนี้นะ่เขาเดิมไปเลยในบาลีมันขาบอกเดิมคนเติมาทยลยก็่เเขาอเดินไป ตัดียบาลีเขาแคยเข้ามงว่าเดิมเขามาจิดเดินไม่เจอพี่เบกว่าจิตนี้เป็ทับก่อนดูก่อนที่จิตมัหลายจิตนี้เป็นทับก่อที่คุณม้งเพราะคำศัพท์อิเลสแตมาว่าตงนี้แหละแต่ว่าพวกเราบาลีน่ยเขาเต็มเขาเดินลจิตเดิม้ตเต็มเดินเป็มก็กามาหาัวกัเียแล้วท่บอกว่าิดเดินไปจิตอื่นเต็มมีกายมาหาตัวกใหญ่เต็นเไม่รู้ตัวทั้งทั้งจิตเป็นานี่แหละ กายเป็นกายมหาตั้งที่กาไปตัวเองก็ไม่รู้กัวตัวกันกำกำังเป็นโครที่กายมหาตั้งที่กาันแล้วถึงจะแปลวัตถาสิข้อนี้ว่าจิตเด่บริสุทธิ์เนื่ยว่านี้เพราะฉะนั้นมตติทจิตด่บริสุทธิ์ี่ไม่เมตินเป็นวาสีแต่เป็นมหาตั้งที่กาวาสีคุณรีายอันนี้เทรนวาสีแล้วแว่ะเรวาาอุปกิริทังในที่นี้หมายถึงอุปกิเลสอุปกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีไปดู อุปตรณ์จิตของก็เจอคำว่าอวิชาเลยนั่นก็คือเมื่อจิตเป็นอ่อเ้าหมอก็มีอุปกรณ์ที่ถังแล้วก็แปลว่านีกิเลสเราอื่นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอวิชาเหตที่อุปกรณเหล่านั้นไม่มีธรรมะข้ออวิชาอยู่เลยไม่มีเลยเอ่ออันนี้ก็ขัดใจกันเองแล้วว่าแยกตัวกันออกไปอีกข้อนึ่งก็คือปัญหาเรื่องอายุไต่ นิ่กายมานะก็ะบอกว่าอนุไสกิเลสนั้นเป็นจิตตะวิทยุตระทันไม่ใช่จิตตะทั p นยุตระทันที่ว่าเป็นจิตตะวิทยุน่ะก็แปลว่าอนุไสไม่เป็นอารมณ์ของจิตไม่ะัจิตแต่เนว่าก็ไม่ได้อนุไสเป็นวจิตเป็นจิตตะทัศน์วยุเป็นตารรมณะหาเขะบอกว่าอนุไสเป็นอารมณะเป็นวิยกิตแล้วก็มานตัจิตนี่แต่างกันอย่างนี้ ข้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ข้อแตกต่างโดยใจกลางสำคัญเข้อคุเจ้อีกเยอะมหาปฏิบัตินลูกเตยใหญ่ๆจะมีเอะและมีจริงจริงปรเด็นก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นจริงจริงทางจะรูกใยากรรกันได้ก็แยกเป็นพวกภลรคณะตัหรอกว่เนี่ยมีกายมาหาต้องยเวลานี้มีตลอดการเรือติข้อมาจนปัจจุบันเรารู้ว่กายม้าติกะก็จากข้อวาของที่ต่างมีกายด็กเก่าท่าามถึงน้อเอง พระตะกิจกทอดของาในกายนี้มันได้ตกทอมาถึงเดีนี้หรอกสูนไปแล้วอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายตรวาปิวะนิกายตรวาปิวะนิกายนี้ป็นิกายใหญ่แล้วก็มีตำแหนังตราสตกอมาถึงปัจจุบันนี้มีพระไตรปิฎกพระพจอยิ่งอภิธรรมปิฎกกับอินัยปิฎกของนกายนี้แปลเป็นภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์เมื่อสมัยพันกว่าปีมาแล้วนักปราชญ์ในลึงจีนี้ญี่ปุ่นไปแปลาไว้ อภิธานิกนกายนี้ใช้ภาษาปกติการเรยกของการอภิธานิเดกมีตามนิเบกด้วยกันางทีก็เรียกชื่อว่านิกายอธิธรรมเพราะมุขาอภิธรรมเป็นชีวิตจิตใจยิ่งกว่าประตูกระเทอนหน่ยเผยแผ่นนักาตอิธรรมใครว่าอภิธรรมไม่ดีเป็นเสียงคอเป็เองนใครว่าอภิธรมไม่ดีก็จะพเป็นเดือคู่กันับล่ะคือนกายนี้ล่ะนี่เดวาอภิธรรมมาวทีก็ว่านิกายอภิธรรมมาวัทนิกายอภิธรรมวัดนี่ นีปนปกรณ์สตป่กันะระถ้ามนปกรณ์เียกาจะเป็นกรตักคือสัตวป่ากันะเรียกว่าอธิธรรมมาสังสีติบรรยายตาตาด่าเล่นหนึ่งอภิธรรมมาวิญญาณกาย of ป, ป慢慢าปาด่าเล่นหนึ่งอภิธรรมาบรรยัติกายตาปาด่าเล่นหนึ่งอธิธรรมมาคาติกายตาปาด่าเล่นหนึ่งแล้วก็อ่า อภิธรรมขันพาเล่นหนึ่งแล้วก็อภิธรรมยานะระทัดฐานระาทเล่นหนึ่งนี่เป็นขำคืออภิธรรมของวีกไกนี้แบ่งจิตเจตสิกรูปิืานเหมือนกับอภิธรรมบาลีเปียแต่ว่าจัดสภาว่าต่างกันเึ่นเติของเราน้าสองเดของนี่นี้มีสี่สี่ิห้าเดือนมีสิ้าเจตสิกมีี่ห้นอกจากอราจัดจัดแบ่งเจตสเตรงกันรูป รูกข้างมีบปดูข้ามี11รูอรูกรู ป, 28, ร ป, respect, รปๆๆลูกกู้กัธรรมมีสบแล้วก็รูกบางอย่างเช่นว่าวินาัตีรูของข้ามือเท่าหนึ่ชนิดหนึ่งดีกว่าอ่ะวินาศตีรูไม่อาวินาศก็เป็นรูเพราะว่าจะยอมรับว่าอวินาศเป็นรูอาวินาศเป็นรูเราถือว่าอาวินาศเป็นเรื่องของเจตสิกเรน่องไถนามาทำเป็นรูประมมีการประวัี่ว่าถือว่าอาวินาจะเป็นรูประลกประถันหรือเป็นลูกประมได้โดยอตั้งขะตะนา มีสคืออากาศหนึ่งปนกับดีว่าแล้วต่อปฏิส sort of <S in smile> ังขยะในโรกปฏิสังขยะในโรกได้แก่ความดับเฉลียเป็นไอ้ใชปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคืออุตางิเต๋อปัมมิพานอริตรงกันมาขัดใจกันในข้อที่ว่าปฏิสังขยะใโลกควาดับโดย่ต้องเอาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้ละว่าจะยมรับพยายามละว่าไอ้ความดับแบบนี้เป็นอะรังยอรับามดับแบบนี้น่ะยกตัวอย่าง ธรดาทวารเสวของเราเนี่ยจะมีอารมณ์ตากระทบทุกครัแต่อรมมารบางอย่างถ้าเราขาดอารกระยัง้งหรืาลมณ์มีอารกระมาลิการุรานะารจะกุพการีบัต น, นี่แล้วก็มีอากาศคือความว่ า, างพอสมควรมีบารมณไม่เกิดตอนบางขณะในขณะที่รูกกระทบตาก็เอ็นปนนุ่นตากระกระเรากำลังรับสัทารมณ์อยู่มาลิการของเราเนะี่ยก็ยึดมันในสัทธารมณ์แม่ลูกผ่านตาเราก็ไม่รู้สึก ลูกอานไปแดับไปแล้วอาการดับท่นั <n> ้นจะไม่ดับอีกอันนี้มีการประวัฏิศาสตร์มีความว่กระทังกระตับารดับอย่างนี้เป็นกตะตัคืออย่างนี้ซึ่ถ้าตามนายที่รว่าแล้วารดับอย่างนี้เป็นสังขารธรรมเป็นพิมาอาอุปานที่ทางข้าเป็นธรรมดามันไม่น่ารแต่ปรตะับแต่นีการประวัติามีความเอาาการดับที่เราคือติกรมว่าอาการดับแบบนี้อะูการลงมาขนานี้มันเกิดแล้วมันดับไปอีกแล้วมันจะไม่เกิดอีก รูอปอารมณ์ที่เกิดในขณะแบไปก็เป็นขณะใหม่ไม่ใช่ขณะที่ผ่านเวทไปอย่างนี้เมื่อผ่านเว ด, ดไปเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะขณะนั้นเราอูเรากลังรั ก, กับอารมณ์เต็ที่อยู่ม า, าที่การละมุนด้วยการามอย่างนี้ความดับที่ผ่านเไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ดับอีกเลยในกะาลครั้งที่สองเหตุนั้ทีสอเขาขัออติังกระเรียกว่าอัปปติัง้งขยะนีโร่คือความดับที่มันจะหาใจตังยาวขึ้หนาอันนี้ขัดใจกับเอระวัณเอระวณไม่ยอมับ อีกอย่างน่ารตาสิวาเนคมระวาิานจากถาติคือตรวบวกอติบวกมานะเอตรวาสิวาินพระว่าบาีก็เด้ยักว่าแปลว่าวาที่กล่าวว่าสิ่งทตนมีอยู่บาลีจ้คว่าตะังอภิสิสิ่งทีตนมีอยอา้เขาในสถาปัติะอาันตาม่อยู่ซึ่งเนวันนั้นยอมรับเป็นอาันตาเด็ดขาด คุี่หมายถึงอะไรคนดีแรกไม่ขัดกับลอนุจังนี้นี่การประวัตว่าอธิบายว่าไม่ขัดไม่ขัดคือตภาวะอนะรนี้อยู่ยืนยอยู่ตลอดการต่งตางล่ามตบบาิดดับอจอจังน่เป็นเพียงแต่พฤติกรรมของตภาวะอยู่ลงอันนี้พฤติกรรมมให้เขาน้ำกัลูกขึ้นน้าคงเป็นน้ำอยู่ตอนลูกขึ้นมีเกิดดับนะ อา ก, การเกิดเกิดบบงคลื่นนี้แหละเป็นอนิจจังแต่ภาวะของน้ำเป็นน้ำอยู่ตลอดกาลขันใดขันธาตุอายตนะก็ขันนั้นดืนรมเป็นภาวะปรรมัดป็นที่ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราเห็นเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเน่พราะพฤติกรรมมันมีแล้วก็ไม่มีอย่างนี้เป็นพฤติกรรมไม่ใช่ตัวของมันเขาเปียนามเนกับาขาวสหนึ่งเอาภาษาถิ่เนี่ย แตมสีเหลี่งเลผ่าเหลือยงแต่ยอมสีดังเหลผ่าดัาแต่ยอมสีเขียวเผ่าเสียวผ้ายอมเตือนสีตามสียอมแต่ไม่ที่ตามเป็นข้าขันใดขันข้าอายตะนก็มีอยู่ในตาลทั้งสามด้วี่ขี้ความเป็นขันขาอายตะแม่ขันนั้นเข า, าอย่างนี้นีกายเระวาแไม่ได้ต่ถืออย่างนี้ขับใจแต่ข้าถ้า่าถ้าอย่างนั้ น, ลนแล้วเรา่อนล่า้วัดก็มีอยู่นันนี้แล้ว ออ่าก็เป็นก็เป็นอยู่ในขันอย่างหนึ่งอยู่ในังขารขันอีกทีหนึ่งถนยเสือาชังน็ยม I mean, ีอยู me, running, ่ลาาคอ่ะก็ังีอยู่จริง่ยอาคตก็มีเตีย้มให้เราแล้วยุ่ยอนาตก็ยังไม่ได้ดับไปมีพร้อมแล้วอมเป็นแบบไอ้คุนี่เป็นอาหารไม่อาหอกาน่แล้วถาาว่าสภาวะมีอยู่ในกาลต่างๆแล้วหรอเปล่าพะุทธเจ้าก็มีสอในเวลาเดียวกันอดีตพระุอจุบันพุทธาพพุกันเลย ต่กระเพกมั น, นมีตองค์พ่อกันขา น, น้ามันมีคนมันมีหน้าอง ค, ค์ันมีขั15เห้าอดีตมันมีพอ้อใทั้ ง, งิห้าเอะจะว่าไงเพราะั้นไม่ไดับเรียว่าถือบ่าอดีตดับไปแล้วปัจจุบันกาลังจะดับนอนาคตยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะมาพูดรุ่นหน้าแบบว่าขันท่าอาตยตะมีพอ้อ ม, มาแล้วทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่เปลี่ยนแปลงและลี่ติกรมอย่างนี้ไม่โอขัดใจกันยากมายกันกก น, นี่ อีกอันหนึ่งก็ปัญหาเกี่ยวกับอรยธรนิน่การปวัติศาสต์ถือคึาดาวกาแต่ว่ า, า, าอารมเปลี่ยนได้ารยธที่เตือนนี่เรียกว่าสมัยยวิมุตต์ารยรรมเแบ่งรารยธรประเทศนะประเทหนึ่งเรียกว่าสมัยยวิมุตอารยัรบุคคลประเทศหนึ่งเรียกว่าสมัยวิมุตอารยับุคคลประเทประเทสมัยยาวิมุตบุคลาาาาบคลเนี่ยไม่มีทาเตือ ตอนระเพีสมัยยังวิวัฒน์ผู้คนเน่เื่อมเสือเส่อมขึอย่างนี้หนึ่งเสื่อมข้าวบ้ามูคุยกันจพนอาหาสมราติสเสื่อมคุยกันเพนสองมือรับกเพลินรับผู้สื บ, บสิทธาคียคอรับพาบ้านเขาไมูกคุยเจ้ารับแอกพายอินคาเพลิเือาประเภทนี้นะจะเป็นอาหารก็ต้องเอาสายถึงว่าล้อม ช, ชั่วเช่เอานาชนาปายะ โชนะาตับายะอรมนะตับตายะเสรีหน้าน่ที่ไม่ถูกคิดสตัวทำนักผลเท่าไรกไม่ขึนแต่โไปอยู่เหนาน่ที่วิเวกงลอย่านักผลก็เกิดนี่เสน้าน่ตายะโน่ตับายะถ้าเอไปอยู่ในวัดหงหนึ่งเขาถลายแทงขู่ทุกวันไม่ถูกปาอารนัสมบัไม่เกิดกินาหาที่ถูกปาอารัมไม่เกิดแล้วถเอาอาหารถูกปากถูกคอจแตมาเออชาี ถูกตถถกข้าวเราอรอยอารมมักเกิดมีอริยมรรคตาะอารมณะตตายะได้อารมณ์การมฐาดีเหมาะผมกับจิตตัวเช่นตเป็นคนลา่้าจิตได้เขาได้อารมณ์เป็นพุทธรรสติมักผ่เกิดอ่ต้องเอารมณ์อุตภาพกรฐานหรือกายคตาสติมักผเกิดมีอารมณะตตายะกัลยาณมิตรจะต้องต้องตัวคนที่ถูกถูกใจกันอ่อย่างนี้มักผลเกิดอรหันต์เกิดนี่แหละ ต้องเอาใจขนะเอาใเวลาจรรลุเรียกลักมหยเรียกิมุตอรหันเมื่อต้องเอาใจขเอาเวลาบรรลได้้งเจ อ, อขที่ไม่โกฏิวก็ทำให้เือมได้เหมือนกันเรียกว่าอรหันต์ในนี้เสื่อ ต, ต่อเือมก็ไม่เือตกเลดาิมไปนะยังตามตกเข้าตัวดาเียมเตี๋ย่มีบอยู่ตีแก่แม่จะเจ๊งโดยสแกนนึ่งโดยเตีก็ไม่หายก็้าวเาอย่างนี้ว่ า, าเป็นเตีี่ละ ปัญญูีนขั้นแงเหรอว่างเลยนี่สมัยนั้มัยยุคดีมุดก็เหมือนกันนี่ตีความนี้เห็นล้ว่าเราไม่ได้ใครบอกท่านตีความผิดๆนี่เอาอย่างแรกเอาสทางปฏิบัติไต่ออะไรกันที่ไหนสมัยยังมีมุดเน้่ยเขาไม่มาทต่อารยประเทศรู้ไหมท่านโอ้โหต่ละวัาตีว่าสมัยยุคมุดน่ได้แต่บุตรค้นบุตรค้นมากว่าที่ยังกลังทำนัทำผลอยู่เยยังทำไม่ได้ โสดก็เลยหิ้งเลยทำไมเองม่ตเอาเอาที่ั้นมาพูดกันว่าอาลหานทันทีก็พุพระุทธข้อนี้เด็กังเข้าใจจิตแท้ๆโอ้นี่กายเทลว่าบอกว่าโสไาที่ทาคานะเสื่อมได้แต่ไม่เเสื่อมจากมรรคผลนะเสื่อมจากทานสมาบัติที่ท่านเคยได้ไม่ได้เกี่ยวกับมรรคผลและจากการเืนี้อนาคาไม่เืนสมาบัติะันีเลยเสือใหญ่สมมติาอาคาททาได้หันททานไ มันมทั้าควรแต่ทานต่ข้าโสดาปฏิทาชาไปทำทานเขาบางครั้งก็อาจจะเสื่อมจากทานแต่ไม่ไม่เสือมจากมรกผลเพราะมรกผล่ผลนะทาทีนึงแล้วก็ไม่ต้องทำกันอีกเสื่อมจากทานที่ทานดูด้วยอำนาจอหงรัประเทศาาด้วยอัตติคาแห่งบุคลาบัญยัติแก้ไว้ดีแก้แด้ว่ารระเทศจะได้แก่อะไรยกตัว อ, อย่างข้าโสดาตอวันนี้จะอาไปินตาบาท มาถึงลานวัดมาไอ้ลางวัดเนี่ย้เด็กมันเล่นอยวก็ต้องลุกอุ้งรังตั้งใจบอกว่าจินตบายกลับมาแล้วจะมาควาเเตรียมซะหน่อยแล้วก็ลืมไปพอกลับมาเออลองตังต้งใจทางานอะไรโอนึกไม่ออกไปเข้าทานเข้าเข้าไม่ได้เพราะอวัดที่ตัวกำหนดว่านใจบบว่าจะทแล้วก็ลืมไปนึกเข้าอะไรไม่ออกเลยเป็นเหตุให้เข้าทานสมาบัติที่เคยเข้าไม่ได้ต่ตอนตอนกถึงได้แล้วอองานเราทาจะกวัด ข้าไม่กวาดไปกวาดเสร็จแล้วใจขอก็โกนงก็โลกคราวนี้มาทำทานเข้ได้สบายตัวอย่างอย่างนี้เดี๋วัตเตะไม่เคยเตืมให้เขาตัาเป็นลูกแตนะที่เหลืออะที่ไหนหรอกไปไฉเพราะเอตที่ว่าไอ ง, งานที่ขันกําหนดจะทาแล้วไม่ได้ทานี่เดี๋วัเตะวัตเตะโอวัตเตะทำอย่างนี้แต่ว่าพนักงาออารน่ะไม่เตือเลยเห้ผลอะไรเพราะเขาตัาปทีาา่ท า, าคาน่ะเป็นผู้ทาสีให้บริบูรณ์ อนาคาเป็นผู้ทำสิงกรมมาทีให้บริบูรณ์โสดาจิตาคาสิงบริบูรณ์สมาธิปัญญาพอประมาณอนาคาสิงสมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณอารหัไรศิขาบริบูรณ์เลยนี่เพราะนั้นเมื่อโสดาจิตาคาอย่า ง, ย, างยังยนเเ่สมาธิมีสมาธิพอประมาณอย่างนี้บางครั้งท่นจึงอาจจะเตือนเพาเหตุงวัปเปักล่าวมาได้้ ปัญหาในสมัยยุดิบุเนี่ยไม่ใช่อลหรหันบุคคลอย่างมีการประวัติว่าไอ้ความเลยนี่หละครับเป็นข้อแตกต่างตรีเจ้าปลในทางพักษณะทางธรรมของธรรดามีการสิแมีการที่ผมยกเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยอีกมีการหนึ่งคือมีการวัดชีบุตนีการนี้บอกว่ามีอัตาอาัตา ร, รมบอกว่าถ้าไม่มีอัตราธรรมะแล้วเขาเป็นคนเาุรับบาปเวลแ ต, ต่งต่างรเปนคนหลุดพ้นเวลาทำมัดเหตเกิดแล้วพิจารณาทาไมวา อ้คนจากการมตัวตัวต no sort of ัวว like ิชาทัวใครคนที่นั้นใครคนนั้นแหละติดปรมาจารตาอาตาดยปรมาตารไม่ใช่อาตารย์ขันห้าอาจาเขาโคตรชีบหน้าบอกว่าไม่ใช่ขันไม่เอื่นไปจากขันอาตารไม่เช่ขันห้าไม่เอื่นไปจากขันห้าเป็นผู้ขันผู้ลางขันผู้ป่ายขันผู้นั้นแหละติดปรมัจารตานิ่กายนี้ถูกนิ่กายอีกติดอกายจงตีบอกว่าติดอย่างนี้เป็นวิชาพิถีเป็นศาสนาพิถีเป็นครามถูกก็ถูกภาคโคตอีกติีคณะ รวมหูเป็นหน่งานเลยนกาีบกว่ากไมได้มันเารนิกายนี่อย่างว่าพุทธเจ้าพอตตมันอาบนบอกว่าอาตาี่มาละปนแพระอาตาเปอย่างนั้นแต่เนทาี่ดีกว่าอย่ามาเป็นนิกายเลยที่ตัดนะนิกันเลยแต่ถ้าเป็นทางเราไบวชดินเลยะทุขทำไมไอ้างมั้เป็นาก็นี่ไล่พวกนิกายวิธีบุตรอย่างนี้ตองได้ความมากทติดตนิกายทะเลาะกันม่อเลยจนก็บรรลขั้งนั่นแหลต่างคนต่าว่านิกายข้าววิเศนิกายใจเวิเศษเท่านั้นแหละนี่ ข้นละีกิเลสนี่กายมันจับกิเลสนีกายมันจับติดจับใจถ้าเป็นวาติทุกาติเขาจะมเลาะกับนิาวเราเขาต้องเอาไไปหลักของเหตุผลเขาธรรมะเขาเปนนายเป็นหลักตัดสินไมเป็นตวพััน่าเป็นพวกนิกายนั่นหรือเป็นพวกนิกายนี้แต่พวกจิตใจนิกายเลยทะเลากันเรื่อยอนิ่กายประวัว่าจะเกณตีนิกายมาหาคนกล่าว่าเป็นพญามารมเกิดเกณตันท่านมาอธิษฐานนะว่าเป็นพญามารเกิดนิ่ายมาหากะ่ก็เกณฑ์ตนิกายประัตว่าอยากให้พวกนอกนี้ที่ไทยนี่ ตรงตัวอย่างนี้แล้วก็จะมีนิการหนึ่งมันใช้นิกายตระวาติว่าเป็นดีคือนิกายตระวาติว่าเนวายไอ้อะไบอกอธิธรรนิสที่ถูกขุกนาอธิธรรมบอกว่าราต้องอธิธรรมทำแบบนี้อธิธรมแล้วเราก็ใช้ได้แล้วอางนั้นนิกายตระวาสิว่าขุกนาอธิธรรนิกายนี้มันใเ้็นดีแล้วบอกว่าไป้ที่เลยตั้งใจนิกายมนมาแข่งด้ว่านิกายสุดตระวาตีถือแค่สีงตัวใหญ่ มันปฏิเสธอภิธรรมหมดเราอภิธรรมหมดจนพุทธพุทธิเจ้าหมดเลยแสดงว้าที่ไหนเป็นเจตีอาารย์พาลังมาใสกันขึ้นแหละเพราะฉะนั้นของจริงน้องมีในประตูมันมีในอภิธรรมรอกในการนี้อยู่ตัวเองว่าสุตวาทีมีอาจารย์ใส่ประตูนีในสังกิตด้วยว่าเาตรัตวาพระไอ้สักตด้วยาเารจิตาบาลกสุตวารีไม่ยอมรับอภิมดีกอกตัดออกไปเลยบอกเป็นลาว่าพราของเจตีอาจารย์ก็เตาเาเขียนขึ้นแต่งขึ้น ของจริ ง, งจีน่กระสุนเพราะฉะนั้ น, นทั้งกระสุแต่กระสุนอภิมเล่าสุดในการที่จะมีการป ร, ปรวตปฏิวัติโจกันนี่ยม่นถองเฉยเลยคือก็ติดขึ้นอภิรักโ้งนี่นั่นแหละแม้แต่งําล า, าตาโผลกันใหญ่ของกรนเนี่ยแต่งตำลาบตาโผลกันใหญ่เนี่ยเราจะอ่านคำลาบตาโผลได้ในภาาจีนก็แล้หแหละ่วกาจีนเนื้อาไม่เจอหรอกพวกพวกขพวกข้าวตต่างๆปหาทีนาเต็มไอินเดียท้หมดเขาก็เป็นที่แต่เป็นดินของชาวกเราที่ว่าพระบูราราจในประเทศจ อุตสาหเดินทางไปอินเดียตนนีนำมาแล้วคุ้คำทีพวกนี้นมาแปลเป็นภาษาจีนอะววเพราะงั้นต้อ่านเลยก็าตัิเดชบาทภาษาจีนถึงจะรู่างออยาค้าของนกายเป็นขมย่าบ้างแต่ละ น, นายได้ละเอียดเรื่องเกิ่ยวกัานมนากาอ่านแล้วเพราะนั้นการศึกษาที่จะตัดนนาเราจะรู้ว่าารต่างๆารึกษาตังขัดตงเียจะต้องมีการอะไรหนึ่งต้องเรียนรู้ที่ตัวาแล้วก็ตัวเางเาจะไท้าทษาจีนไม่กี่วมีการดึงโคดดาตตัวเองเราจะยายาม หัวข้อในธรรมะเราหอ้มาติดอย่างนี้มาจากในกายโนนะมาติดอย่างนี้มาจากในกายนี่นะเราทเราก็เป็นในประชาธิปไตยไม่คุกันกในกายใดในกลยหนึ่ตอนประชาธิปไตยพวกในกายเป็นคุกพื้นแหละจา ก, ก, จากานึ่งจัดอออกมาแล้วที่ขัดแย้งกันเป็นพ่อพูดกีกีอาจารตีควารกันไลข่ขดงกันเพราะฉะนั้นผมไม่เจอปัญหาที่เรื่องจิดเดิมไปริษองจิดว่างไปแล้วเลตั้งแตพ้เป็นเรื่องเกา่ามีมาจะั่งศิษยิจารกเทากันแล้วพเรารุ่นใหม่ก็ตั้คกับตีหื่เล่ายกันอยู่นี่ย่างขพ พู้ที่าเกิดขึ้นในมืองไทยจริงๆไม่แปลกเลยของถาวมีมาแล้ววย่างทีเขียนใเรืองทธรรมอุปักค็เมากกระทำแต่จะมาคมผู้อาจารย์ที่ทำเต็มลกผู้เาเร่นน้ำไปเลยเต่มมารัดข้ามท่านตหามเนี่ยแหมแสดงออกว่าเจ้หน้าต่างเรื่องน้ำไปเลยอานดูก็ขำแท้ของถามีมาแล้วในอินเดียก็่าต่แยกในมการอธิธรรมกายในมการเขกายเนทลาะกันมาแล้วไม่แปลกเลยของาวรัดขันจริงๆนี่ถ้าเล่า คือ ก, การกว้าเนี้เราก็ดูอไรด้ความยุติธรรมแล้วก็ได้วไความรู้ทุกต่อไม่ได้ผูกพันกับพวกหนึ่งนี้พักไหนพักหนึ่งไม่ผูกพันเราถือวา่าเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเราก็ต้องศึกษาให้มันกล้างขวางคือความใจฉาดด้วยกันมี่ปลยสุจราทีมี่คติธรามที่แตกต่างแต่เห็นว่าถือว่าในสัญาเลกถึงโลกสมารถนั้นยัง ม, มีจิตนี่นี่ต่งกันมากอธิธรมเห็ว่าก็ไม่มีจิตนีการกระบาสีว่าจะแบบไม่มีจิต แต่ในกายประตูจิตตวารีนี่บอกว่ามีจิตถ้าไม่มีจิตแล้วคือเข่านี้เลยกะแต่ตังอะไรกับจักรเสกพราะฉะนั้นต้องมีจิตสิถ้าไม่ไม่มีจิตจะเรียกว่าเข้าสมาบัตตาเลยเอาการการที่บอกว่าเข้าสมาบัตให้จะต้องแสดงมีจิตเป็นผู้เข้าเพราะฉะนั้นไม่มีโลกสมาบัตนะเม่อใครมีมีจิตจิตจะต้องขังบัตคือสัญญาจะอยกันนานพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกจิตัตด้วยบอกว่าจิตะต้งขัเนเ่มีจิตดับตาบัตนั่นก็คือ ติดในน้กรธสมาบัตนั้นไม่มีพฤติกรรมไม่เพฤติกรรมไม่มีไม่ขึ้นีิถีถูกอำนามาบกตกดึงเื่อใจนสมาบัติเนี่ยว่างา <c oughs> แล้วนีว่กาตอกว่าไม่มีเตมจเตสิเจตสิเลยเจอติสิ่ไหนมีที่ไหนอา์เลยเจติสิทธเป็นเรื่องอาจารย์อภิธรรมเขียนขึ้นมาวะพระจาบอกว่ามีเจอตสิไหนเลยอ้ออออาวก็ีเดวเอกจรังเอกรังดีงกังหเอกรังติดเียวไปดนเดีวยว เขี่ยไปไกลดวงเดียวที่ไหนมีจตติกิจคำมีเจตตกิทำไม่กาวเพราะว่ามีสองเจตติกิจเดียวเขี่ยไปแต่ไม่เคยหลับครอารย์บอกว่าเอกจรรยาอุปนิมภ์เอกจรรยาเนี่ยคำเอกจรรยาก็บอยว่าจิตดวงเดียวเี่ยไไกลที่ไหนมีเจตติกิจพวกอาจารย์ที่ทำมาไม่เคยคิดเองว่ามีเจตตกิจดวงกี่ดวงไหมอาสุดถึงเองแค่ว่างี้ในนาระจตวาทีนะเนนิจระวิภัณฑ์ว่าง้นบอกว่ามีเจตตกิจเจตติกิจนี่ยในนิจาระจตวาทีบอกว่าในอารมณ์อารมณ์กับนเนี่ยอย่างนี้ คำว่าอาที่นี้มันจะพิสตจวมันมีรูปหมดมีรูปเหมือนกันแต่เป็นอภัยริมีเหมือนไม่มีเป็นอภัยริเหมือนกับเัากินน้หมดทังมดเน้ำไปไหนหนีน้ำความจิงมันหยดต้องหยดแต่ตัวเทียเก่าเดียวแต่ีอย่างอภัยก็นอภรกรั้ได้แตกนก็เหมือนกันม่อเท่ไม่มีรูป็ะได้ติ่งเฉยแต่มีอยู่เนี่ย้ที่า นี่คือลัทธิอาจารย์สายปุติวารีผู้เป็นต้มมีกายชื่อว่าอุมารลัพธ <im> ์เทระอาจารย์กุมารลัพธ์เทระเป็นต้มมีกายกาติวารีตัวทีมการอภิธานแล้วสามร้อยสี่เศษี่การที้เกิดขึ้นเกิดพระกามหมั่นสการอธิพันเกิดมิการกระเชียคือแล้วนเชียกรอภินอยู่ไหนอ่ะท่านจะเชี่ยกระตจนท่านัง่ะเลยตั้งิกายกระโนเลยเฮยแทนนักก็ทกระโจนแล้วก็แขงแข็งมีายอภิธานหมนี่แหละได้ยงนี้แหละครับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ในอินเดียในระหว่าง3รอบกีฬลผ้ังลิขาร์มันเร็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจะไม่จะหักโตก็จะหักโตกินตอออกวาจะเป็นการขอเล่นอะไรทะเลาะกันจะเอาพขาจะหักโตกไหมออกว่าจะเป็นการทากีฬาจานุปลายต่างๆของนอินเดียแต่ว่ามีเงินเขาจินจ่าต่างหอากทะเลาะกันเลยว่าอยากทะเลาะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันได้แล้วหรอขอทำมือขอดม้าเขาผู้จัดแล้วมาเมื่แล้วเขาจะหักโตกแนะและขอดม้าตัวนีท่านนั่นจะปฏิบัติคืออ้างว่าให้เอาหลักในมือมือโยตุมือโยตุ ในในใกระสุนเรามีมูลในกรสุนให้ปฏิบัติตามมุ่งมีคาถาและในหลักมงลในกระก็ได้ไม่ทะเลาะกันแล้วเพรานั้ตงเรากนี้ก็จะอาโจกาตั้งโจกอเรี่ยว่าใครยุให้พราะเาะกันในวัดก็จะสุท้เจเอาผัดาวไปไ้ว่าแต่วัดองไม่อยู่ในวัดเพราะเราฟ้าเดกยุดูให้ภาพต่อพต่อล่าัมาทะาแว่าอในกายอยนกายมันจับไปเลาะอกายเนี่ยก็จะเอาตกทะเาว่าพระเราเป็นพระะุกันลวอยากเาะนกายกันเลย ให้ทำเพุ่อิจากันเถอะเพราะว่าพระองคก็คงจะละอาละใจเรื่องีิการติดต่อบต่างคนต่างว่าต้องตีคนอื่นตายนี่แหละเป็นเหตุประกาศว่าชองการจารลึกและในภเขาก็มีในในเทาหินก็มีอาในเทาหินจเ้าแห่งที่กรนาบแห่งหนึ่งแล้วก็เจอุลยษ์ทีรีในคองโตตาอินเดียภาคะวัตกแห่งหนึ่งที่วกเขาเจอแห่งหนึ่งและอินเดียภาคาต้การการลเหมือนกันหมดว่าแต่พระองค์ไหนมาลก็ไน้การล้อให้สึกพรองค์นั้นเอาพระ้าใัดตัวทั้งหลายจันี้ กาถึงอย่างนั้นม mm ัน hmm. ก็มีทางการมีาัไมีแตกแยกกันแล้วไอ้กามการตกแยกเขาจะเอาก็เลยมันค่าตืมีกายจะมคับก็อุปตุเืองมายจะนำเนห์มดต่ว่าโลกมีกายิครับอทีตเขียงแต่ว่าปีาเข้าาตัวเองไม่ได้ยงพูดถึงเร่ในวังกาเขียเรือตนมาอต่ว่ปาที่ตัดน้าน้น่ะตอพระมหานามเถละในวังตาเีมานะครับ เห็นเอาว่าอลัชีปลายไรยสิเจนี่กา็นอาัชีหมดตาบับอีกครับแ้่ตาับยังไม่เลยว่าตาอับอีกครับตวเขาเนตาบับเขาทีอตัวอาวัชีท่านอาชีที่ไหนกันก็เป็นภาพที่เราบันเทยงโดยว่าการตีความธรรมะกับวินัยเ่ยแตกต่างกันไปตายถึงเราไปอาวัชีได้และในหาเรงยนเล่ว่าเขจะอาศกน่ะคือกระทำตัดน้ำพุแล้วก็เยี่ยศีนี่คนเห็นหากสกุลเกิดในตัดน้ำพุธมากับ่ากี่หมื่นถึงหกหมื่นคนหกหมื่นแล้วก็ข้ากเป็นอันทำพระธกัน เพราะามีอัลกชีความวชตงห0 0 0 0ก็เลยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เพระบคาลีปิดติดปามกมาทำง่าพระบูคาลีปิดปก็ต้องให้ทางบ้านมีงช่วยกันจาบกัากชีจั้ตังต้งหกหมื่นแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าบ้านมึงทั้งนั้นอยากจะจับอ้หนุ่มผีปลอมมาหกมื่นใ้มัน อ, อยเลยโอปาทั้งนั้นละามาน่าบคนมาหมนแล้วคนมาหกหมื่น่ใชคน้คนเอปลงปลอมปลาม้าผอมคอยจะเตี้ยตั 6, ้งหกหม่นคนปลอมบวชนี่ป ล, ป ล, ป ล, ป ล, ปลมอมได้ยังไงทออที่ทางบ้าน เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจำนวนหก0มืนคนนี่ไม่ใชใครคือพิสุตางนิการนี่เองนะครับซึ่งพ่านหลักทางลัคนาเขียนไว้กับอคติเหนไหมว่าเป็นตัวถืว่ายเลย้ต้สีเข้าไปเลยบอกเป็นตาตาที่ขู่หรือไม่จะเป็นอารักทีไปเลยเป็นเร่ที่คนรู้ไปเลยหมดท้ากันไปเลยนี่เพราะฉะนั้นการเรียนทาจาราี่นศาสตนาเนี่ยก็ต้องเรียนการเกี่ยววิจัยให้สตปนยาวิจัยในข้อวรมีควรในข้อที่เป็นดหไม่เป็นด่าอย่า่านไปมหาเทตามที่หลงวิจยประวัติที่ว่าเขียน ถ้าเรา่านโดยการอานคัิก็ม่ไจริง่ต่อมาเช่นลกมาพ่อข้าแม่ข้าอรหันแล้วก็ยากดอุตริมันไม่กระทำอีกนี่การมาขึ้นจากนี้เลโกมาใช้คบไม่ได้เป็นพวกาีที่ไหนได้เป็นกันข้ามาเึ้นจากม่ไเลยอย่างนั้นเลยก็มาเช่นนี้ประหลัดเลโกมันเลยถ้าเลโกมันที่ไหนจะบมดอยู่ได้ที่ไหนจะมีคนนับหน้าถือตาก็ต้องตั้งเป็นสำนักใหญ่มีลูกคิตรุ่งค้าจำนวนนึงแล้วที่ไหนจะมีตัวดีโอหาวดอใย้ายเดออกมาเป็นข้ัญขวัญมาเป็นไปไม่ได้ แต่พระเทวทัพเองนะครับพการในไทยแลกับพจัดการยังทำไม่ได้ใครทาที่เทวัพมีโลกยะิญญาและปกาปัญญากต่คนหลังนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ใจปฏิธรรมในการศึกษาคจักที่จะตัสนาย่าเอาาจคิดเรื่อพกที่ตาจต้องมองด้วยคามอาศัยหลักปฏิจจ์โดยเฉาอย่างยิ่งเราต้อง่นใจว่านการเราเราว่าเราดีที่สุดแล้วนิการอื่นๆเขาก็เตื่อย่างตํานอนทางการจะเิวงดีบนหงนะหรือว่าเหมนกาฝาก ที่เกิดจะมใกาจระวัตกาจรดวัาเหมืนต้นมาร์หันโขตึงไม่ใหญ่แล้วก็มีกาป่ากเกิดจากต่นมาราหันโขนี่ตาปากพวกนั้นคือมีกาติดเจ็บมีกามีกาเจดยอดที่พูดแบบนี้เราม่พูดข่าวๆใการะวัตเลยค่ะเพรข้อที่จนิงย่างในกาจระวัตันรถขันจังของทหารห้าล้อในยตะวันกอันนี้ต้องอันดีสุดเราขันรถขันจังขันว่าอันแบบอดที่พจารณาขันหักเราจะไม่ทายแขนอันดที่พิจราแบบันหยักจะไม่ข่มจนตื่รู้เข้าใจ อันนี้หะเป็นรัติหรืเป็นมติที่คุมท่ามตะบันแล้วแต่ปุ่มการจังหวะนี้รักษาจารีหรือรักษาคำสั่งอันนี้มันก็หมุนอู่มาเพ่าะง้พุทธะนะแบบที่บุคือมีการจหวาแต่ไม่ไหนแปลว่าราปุมจะว่าการขึ้าบริสุทธิ์แล้วเรนี้ไกลอื่นว่า้กลก็อื่นเไม่ใช่ไครับนีไกลายเขาจะดีเราจะเห็น่กลายว่าสิ้นแล้วา็นเายกนกลาเพราะอะไรนึ่เพราะการตีกลามภายในในโครงกระ ปีกรก็คิดจะควบเจริกันเอกี่อาจางหนนี่มีามเรกันแล้วแต่ยอดก้าวน้นากไปแต่อันไหนเขาบอกว่ามันเล่าตุเล่าไม่อไม่ทันเกินเกินไปเราก็ปฏิเสธเป็นข้อข้อไปไม่ใช่ปฏิเสธั้าไม่กเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นใครข่าวกีบุตรีอะบอว่ามีอัตราธรม์อย่างนี้เราปฏิเสธได้เลยทีใข้ทันได้หรืออย่างเชตเราที่ว่าที่บอกว่ามีสภาวะอยู่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเลยนี่ยเราก็มีภัยจะอธิบายก็เข้าใจได้ ไปเก็นธนาเขาเ็นอาชีกไปธนเขาเป็นว huh ิาพิีไปธนเขาการทำปรูปเรเติมเราจเห็นใจวะถึงรอตาละเะและการตีความกฏหมายหนเดียวกันจบธนายจำเลยกับนายจะอ่านนอย่างใหมายเดียวเอคือว่าจะอ่านอย่างหนึกงธนายโจอ่านอย่างหนึ่งธนายจไเลยอ่านอย่างหนึ่งกฏหมายหเดียวกันเอาคนเข้าขรเล็นั้นเอาคนออกจากรเ็นั้นเลยนเหมนกันเรียนมาเหมือนกันเ่นั้น เ<น Shiva> uh พราะฉะนั้นหนึ่งมีกายติดติดพวกธาตุก็เปนตัวอย่างเพียงสามมกายคือมิกายมานาติกาและก็ประมาทีได้ก็ชีบุลแล้วก็อีกมีกายนึงคือมีกายจตวาจีเนี่ยก็มีนายยะแขนไหนแต่แขนนั้นเหมือนกันวันนี้ก็จบบรรยายเพียงแค่นี้ครับท่านมหาวิโรภิกข <headphones> ุถามมานะครับบอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายว่านางจิงจะมารวิกานั้นเกิดในต้นมะขามในความจริงหรือไม่คำนี้เนี่ยถ้ามัเกิดใต้นมะขามเนี่ยคือหมายความว่า เด็กพ่อแม่ทำไเลงอามาทิงไาะตวรมาขามนะครับแล้วคนเล้จะเต้นก็บนี่เกิมจิโคนมามนี่ไม่ใช่าเิแต่เปนมะขามมาิงจริงใน่ยแล้วนยอกันมาอพาตีนนกีถลายเมม่วงไว้แต่วุฒเจ้าใะหว่างนเกเติก็เติ้ก็เต้นมะม่อถ้าเป็นแบบนี้แหละ่อแม่ถ่ากมาแวางไ้จตคต้นแล้วก็อื่นมาเต้ก็เติ้ลเลี้ยก็บอกเกิดก็เติ้ลเติ้ลก็เต้นเป็นพวกขี้เจือรัมพาไีผู้อัเป็นมะม่วงรักษาได้แล เดี like, ๋ยวนี you, ้ก็อีกอกบ่อเี่ยวกับใคว่าทีหน้างานร้อเพลเลยล่ะแล้วเกิดที่หน้าก็เีิดได้ร้เพียก็เด็กคนนั้นน่ะมีบอยกันหน้าในในในเร่อง่น่ะอีกข้อนึงถามบมอ่เกิดไอ้เ้นรขาได้จริงเพราะอะไรจะเหนอยจึงถ้ามันเกิดเช่นนั้นได้เพราะตีไยก็มนรูข้อนี้ก็ไปอันตอไปข้อนึงได้นะก็ถามก็เหมอนกันเลยฮะมีตัวอย่างที่ไหนบ้างที่มนุษย์เกิดโดยไม่ได้อาถายคันหรือว่าลูกเพียมอนกอุยาหะนัอุตสาห์เพลียองนักอตาห์ชี้แจงเร เม่ลูกเคือนมาอีลาตนาเาจะเปิยกดเปียกยอเป็นสังเทอพระกำหนดสังเตอพระเพราะว่าน้าเขาจะจิตเปียกยอดเป็นสังเทอพระฉีดก็เปนเมื่อไอ้ผู้หญิงก็ตั้งคำขึ้นมาว่ิชนีวิญญาณเกิดเป็นสังเทอสังเทอพระกำหนดเห็นข้าเข้าในดือนมิถุนาเนิดหีดเดือนกันไม่แแล้วแาเราก็สนะเมาดูซ้ำไม่ได like <lang> <ç. muitos. S 2> ้ขัดขัดขวางกาเนด ถ้าขันถามมาว่าเมื่อเราทาบุญแล้วอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ตนหวังจะมีผลต่างกับการทาบุญแล้วโดยไม่อธิษฐานหรือไม่ต่างกันแน่นอนครับการทาบุญโดยหวังผลตอบแทนเป็นการทาบุญความดีเพื่อความดีความดีอันนี้เป็นความดีที่บริสุทธิ์นะครับเป็นความดีที่มีแต่กับการผลแต่ตัวเพราะฉะนั้นผลที่ตอบแทนก็จะเป็นผลบริสุทธิ์ยิ่งกว่าการคุณบุญควรคุณกับดาำดีของเราทํา ครการทบุญด้อธิษฐานนั้นอธิษฐานในสแบบอธิษฐานเพื่อปิติญาณอธิษฐานเพื่อสินทุสินชาติอย่างหนึ่งอธิษฐานเพื่อเแต่เเป็นเตจีหมาเตจีมี้า่าบริวาเตาเลียงมากมายอย่างหนึ่งอย่างแรกควรอยู่เพราะเป็นอธิษฐานเพื่อความเป็นริ่งรอย่างหลังเป็นอธิษฐานเป็นเป็นทุคงก็แต่ต่างกันถามมีธมะข้อหนึ่งใจความว่าบาประดมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปสุข ถ้าลหันเป็นผุหละแล้วซึ่งบาปเลบุญก็เป็นอันว่าละเหตุแหงทุกข์ถูกได้ใช่ไหมแต่ทำไมถ้าลหันใบลูกซึงพระโมคคาระยังถูกผลกรรมไปข้วให้ผลอยู่อ๋อข้อนี้จะเอาใอย่างนี้นะครับที่ว่าละบุญละบาปนะหมายความว่าละบุญละบาปที่จะตอบในอนาคต่ัที่ทไว้แต่อดีตน่เป็นสิ่งที่บาปที่จะต้องรับนละไม่ได้ละได้ตบผลอันเป็นปัจจุบันบที่จะผลในอนาคตละบาปอย่างนี้ ไอ้บุ้ที่ทำมาในชาต่อนน่ากไม่ได้เลยครับไม่ได้บัญชีมันยกบอดมาเราทำสืไม่ได้เราทำสืบไปเท่าไรแต่ราก็ไม่ต่อนี้บัญชีเลื่อนใหม่ในในชานี้มันในก่อนห้บัญชีเลื่อนใหม่ในชาตนี้ไอ้ยกบยอดในชาติหน้ามันก็ไม่มีไอ้คนที่ทำ่ากไปได้ในชาติก่อนนะ็ตาองรับไปไหครับมันยกบยอดมาชาตนี้นี่จะไปทำสืบเป็นยังไงเลยครับไม่ได้เรียบหมึ่งคนคนหนึ่งทำไอตีหัวข้าศัตรูในกรุงแทพหรือไป้นเข้ามอในกรุงแทพแล้นี้ไปเชียงใหม่ ้เชียงใหม่กลายเป็นคนเข้าวัดเขาวาถึงถึนแปดทุกวันเข้าอาพ่าอาจ้าตำรว้ตามไปจับคนเชียงใหม่บอกอะไรตำรวจนี่อะไรกันหลอคนดีมีท้งทำมาจับเยเนี่เอ๊แต่คงผิดนี่เรเป็นคนไมบายใจว่าตำหวแต่ยมาว่าฉันเป็นคนดีที่เชียงใหม่นะเอ๊ตำรวจก็ต้องจับแ่ะถูกแล้วจะเป็นคนดีที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้แต่เปคิเแ่กระต้เข้ามาเน่ยคดีเราจะตัวตายไม่หมด เหเรา่องตั้งตามตัวใจไทยและประเทศตามยุกลาที่ดียังไม่หมดพ่านงานเก่าจะเหมือนกันละได no ้ใจผลที outs, so tá, so ่เป็นเหตุก็เป็นผลในปัจจุบันกนาพูครับอดีตที่มานะ่ยยกยอดมาละไม่ได้ในการามาจูดพระสัธรดาทรงห้ามทาวตาลามะนี่อเชื่อโดยการเดามีคำถามว่าพระองค์ทงห้ามใ้วิชาตัดกะใช่ไหมหรือว่าตักะยุคนั้นกับยุคนี้นีเนื้อความไม่เหมือนกันอ่าการด้ละเป็นตักะถแล้วครับ แต่ว่าไพ่เงินผู้ตัดนะจะมีโยมปรักรจิตชี้ไงล่ะครับประจักรจตี้แต่ในโลกคนเราไม่ชอาประจักรจิตชี้ยังยังจะมีเรื่องที่ขุดน้ตขวัญเนี่ยบอกให้ไปทำทางสมบัรมันก็มันก็ไปทำแล้วก็ฝากบอกเลยก็จะเอาไปตัดกะตั้งแต่นี้ไปให้ตักกะให้เข้งที่ตักะเป็นสิ่งที่ผู้ดีจ้าเลรขันเสกก็ต้องใชการเป็นมังคับนี่คนเรื่องเขาชอบที่ให้ตักกะนี่ ท่านผู <protect them. S 1> <Yes. S 2> ้ตตัที่ถกถามว่ากาตนทาทุกการสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรบ้างเกิดขึ้นครั้งแรกเน่เกิดเพราะความกลัวกลัวภัยธรรมชาติกลัวการตายกลัวความรู้กลัวผีตกลนัดเกิดเพราความกลัวตกลงรู้สึกจำนำที่ไม่ได้สนทนาตะโกนคำยาเนะเกิดจากความกลัวตกลงที่้ึกกัเจ้าเนยเกิดจากความกลัวทั้งนั้นที่มีพระเจ้าก็เกลเขึ้นมาให้ให้ให้ใจความกลัวเนี่ยมีโอกาสระบายออกไปเปหลูดของพระเจ้า เใจตัวเออออลอันตัน้กพุทธจะไม่จะระเนี้บเกิดเพราะต้องการหนีทุกข์จึงต่างกับไอ้นจากความกลัวกลัวผีกลัวธรรมชาติกลัวไทยับนกพุขัไยก็เป็นาะ้าตาานะเพราะฉะนั้นจึงยนก็ยาที่จะดิ้นรนวความทุกข์ขอถามว่าดูกระดองอนหมายความ ที่ชัดที่สุดคืออะไรเอ้ยผมไม่ใชใจจางหมายขอนีครับที่บอกว่าดูกระทั้งแดงอนนนหมายความที่ัสุดคืออะไรคจะคจะหมายา่ารทั้งแปลความ่ดูกระ้แต่ตั้งแดงจะว่าอะไรย่งเงี้่หนี้น่ะในข้อที่คเวงเนี่ยาษาไทยมาแปลว่าดูกระาทีุ่ดทั้งหลายไอ้ดูกระดนี่ยจง้นมาลดีฟังเพาะ่งเลมีาหมายแหะแปลตามเลว่าดูดูมือดูมือดาอะไรกระาก็มือดูมือดูตาก็ดูมือ ตำรวก็แสดงเลยที่ม like ันมีความว่าด้ความดงตาตัวเาษารรณคดีั่้ยู่นรกันเองยว่าดูก่อนดูกดในแบบเดียวกันนี่แต่งให้ใคราะนี่อย่าว่าเทียนน่และภเนอดเียนย่เียนยอนี่นี่นต้นไม่มีามตัวรเลย่คตกตของาาาวนักาษาเลขที่้อสิถามมาว่า ยังสงสัยว่าการประตุจกับการอภิปายของพระพุทธเจ้าอยู่คือบอกคืออาจารย์บอกว่าประตุขต้ของประตุ้ทางสีข้างนั้นมีเหตุผลเป็นมาอย่างไรนี่ต้องไปถามผู้พันทีนออ่กัดเข้าครับความผลว่าผมว่ า, าการในการน้ำที่กัดที่พ่อตาตันไปอีก ท, ทีหนึน่งในการน้ำที่กัดนี่มีเหตุผลบอกว่าพระพุทธเจ้านะ่ะท่านเคยตัดบริสุทธขนาดนั้นแล้วที่ไหนที่จะมาเกิดอย่างเมื่อครูกอย่างคนธรรมดาตามมันต้องตาไปฉะนั้นคนบริสุทธิ์อย่างนั้นก็ออกมาทางสีกว่นั้นออกทางสิีขา ก็เป็นเตนาีต้องการดีาพอแม่เรอยไรเาเป็นใจรกบาราก็ไม่เียงก็ไม่ขั้านอะไรเห็นเงีเห็นตาแล้วม่แล้มันไม่เียงนีายมาให้กาวท่้จะงก็เห็นไม่แล้วเออแลามีทานของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์บอกว่ามใช่เรื่องทีคือพระพุทธเจ้าแก้ก็ได้ทายลูกดีลั่นอัตมาโยงสายอยู่ไม่ใช่แก้ครับพระพุทธเจ้าท่้นตามตามคตินีกายมาเก่ท่านส้งใหญ่นะอย่าไปบอกอี้วะรับ การตั้วเราต้องแกบทมติอย่างนี้เป็นนิกายมาอาเีกาวแต่ระบุที่นิกายรามาด้วยในงั้นอีกหน่อยเนห้งเป็นนิกเป็นนิกมติแต่เราวาไปเราวาเราไ่ไแบ่กากไม่